ท่านพิสุทธิสมันเณนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทขขาเสร็จหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่บวันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยี่ิบหกมองดูเวลาเวลานี้เป็นเวลาหนึ่งนาิกาเสร็จวันนี้ ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสีเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนใจทนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตาย ไม่อยากจะป่อยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงมันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการจะเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอริยเจ้า อย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุกข์ซะก่อนการเห็นทุกข์ค่อยๆเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทําจิตใจแบบส บ, ส บ, สบายๆเห็นทุกข์ระดับน้อยๆมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคสมรสด์ไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกข์ใหมองทุกข์ไม่ให้เราดูตลอดเวลา ไม่ต้องไปดูทุกที่ใครทุกที่เราก็พรแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่จะแปลงฟันไม่ล้างหน้าก็ลาําคาญไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าของน้ําไม่เทาจาระปัสสะก็เป็นทุกไม่ไทํากายงานก็เป็นทุกพะรัวเพราะว่ามีไม่มีจะ ก, กินอย่างนี้กินต้น ความทุกมีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุก์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุกเราก็จะเป็นคนพ้นทุกแต่การที่จะพ้นทุกจริงจริงต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานเคกิเลสได้กโมหะความหลง ถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดาธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีวกรการต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสทรแนะนำนั่นก็คือบารมีสิบบารมีสิบราการในบารมีเนี่ยเขาแปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็ม เอาลาสอบในสนามหลวงเท่ากับแปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆถ้าบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคําเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคำต้องแปลว่ากําลังใจเต็มเออมีกําลังใจเต็มหนึ่งได้แคทานการให้ที่เรียกว่าทานนบรมี สองต้องมีกําลังใจเตรียมในการรักษาศีลที่เรียกว่าศีลบารมีสามต้องมีกําลังใจเตรียมในเนคขมะที่เรียกว่าเนคขมะบารมีและสี่ต้องมีกําลังใจเตรียมในการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมี 5ต้องมีกําลังใจเต็มในวันด้านวิริยะความเพียรที่เรียกว่าเวทย์บารมี 6. ต้องมีความกําลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าขันติบารมีเจต้องมีกําลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบารมี8ต้องมีกําลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิษฐานบารมี เกต้องมีกําลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีแล้วสิบกำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์ไม่มีอารมณ์เป็นสุขยอมรับรับถือทุกอย่างอาะไรจะเกิดขึ้นก็าตามยอมรับตามความเป็นจริง เรียบคาบารมีสำหรับบารมีทั้งสิบประการนี้บรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพู้ธบริษัท ต, ต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา <c oughs> ต้องทรงอารมณ์เท่าเท่ากับเราเห็นทุกข์ถ้าเรามีเราเห็นทุกข์เราก็ต้องมีบารมีสิบประการเข้าไปกอบด้วย เพราะการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกปันขังอยู่ที่กายไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บา ร, รมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบา ร, รมีสิบประการครบพ้อนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็นอย่างทานบา ร, รมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกาามารมณ์ เมื่อคนที่รับทานเราให้ทานแก บ, บุคคลผูใ้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปราชพูดภาษาไ ท, ไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบา้านเดีไม่ใช่คนอกตันยูที่ไม่รู้คนคนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมัยการนี้เขามีความรักในบุคคลพู้ให้ ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจะเพึ่งเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆถ้ามัเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราก็าก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบา ร, รมีนี้เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเก้าของกิเลสตัวสําคัญ แต่การที่ทำให้ทานบารมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื่องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลพวกนั้นเรามีความรักถ้าเราเครียดเราก็ไม่ให้ในการทีสองคนแล้วเราไม่ที่เราไม่เคยรัก เห็นก็มีความตกทุกได้ยากจะเป็นคนรักษาก่อตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมรรการต้องเพิ่มปุ่เข้ามาเป็นบาทให้เกิดการให้ทานใด้การให้เฉยเฉยเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้ อย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นทานบรรมีขั้นผิวๆยังไม่ถึงเนื้อแท้ <c oughs> ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบรรมีจริงแต่ว่าถ้าบันดาท่านพุทธบริษัทชายิง <c oughs> เ, ออเพื่อนเพื่อนบีสุสมาเ น, นั้งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบรรมีจริง ทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกุนาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุสติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผูดด้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุข ถ้าว่าเราไม่มีวัตถุที่ให้เราก็ให้คําแนะนําถ้าคําแนะนําไม่เหมาะสมก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยกำลังกายเราก็ให้กําลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานขึ้นเดียวกันแต่นอกจากนั้นกําลังใจอันหนึ่งต้องมีขึ้นคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบธทำ อารมณ์ที่อจาคดจะโกงจะรักจะโ姆จะยืดอจะยัย่ออยงใครไม่มีแต่กําลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบารมีเขาบรรดาธรรมบริษัทบริสัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภะความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใดเรื่องความโลภจะไม่ฟืน้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงพึ่งพระนิพพาน แล้วก็ต่อมาศีลบารมีศีลบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเม้นกันและก็ต้องมีสันโดยเข้ายืนยันศีลทุกสีขาบทจะปรากฏมีกับราได้จริงๆ นั่นถ้ายาดีจริงๆแล้วต้องมีพร ม, มีหารสีร่เข้าระคาประคองต้องมีพร ม, มีฐารสี่เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพร ม, มีฐารสี่ที่กันหนึ่งความรักสองความสงสารความอักเสแล้วก็สามอารมณ์เยืกยินไม่ไม่มีควายอาการอิจฉาได้ิสหยาไข่ลอยยินดีเมืม่อผมกูม้กเื่อได้ดี แล้วสี่อเบขาวางเฉยมันหมายความว่าถ้าเรามีความรักสิงของเราก็บริสุทธิ์ถ้ามีความสงสารสิงของเราก็บริสุทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษและ ว, วางเฉยนโบกาศที่เราจะทำลายสินได้เราจะไม่ทำสินนามีเท่าจะมีได้เพราะอาศัยภูมิฐานสี่ ถ้าบกพร่องในพรมิหารสี่ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ไม่เมื่อเรามีพรมิหารสี่มาแล้วใส่กําลังพรมิหารสีนี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธตอนนั้นถ้าพรมิหารสีไปทรงตัวอยู่ที่อุบเบกขาความเฉยได้ใครเขาด่าใครเขาว่าเขาดินทายก็เสียสีเราเฉยได้ กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดือดร้อนว่าคำด่าคำคงแกลง้กลงอย่างนี้ที่เราตัดความเราตัดความโกรธได้โดขาดเรื่อง ก, กำลังของศีลศีลเป็นตัวนำอนนี้มาเนขมะประมีกำลังใจเต็มในเนคขมะเนคขมะนี่พวกแกงภาษาไทยไทยเขาเรียกา ษ, าษาัถือบท เป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นคราวาร่าจะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมนมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่ใน่วาหมายความถ้าบวชเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรห้าประการ คือวันเทานิวนรณ์ห้าประการไม่มันฟุ้งซ่านเฉพาะเวลาเวลาใดที่เราจะทําจิตสะอาด จ, จากสมถะภ า, าวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมนิวนรณ์ห้าประการเกิดขึ้นกับใจนิวนรณ์ห้าประการข้อนหนึ่งการมัจฉันทะความพอใจในการมคุณ สองความโกรธความย่บาทด้วยความไม่ชอบใจสสามทีนิมิธะความง่วงเหงาห่อนอน 4. อุตจากขุโจะอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปหอมเมฆาเาขาแอ้าห้าวิจิตรฉาความสงสัยในกฎนธรรมที่เราปฏิบัติอาการห้าแบการนิองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสิสุภาพ ทรงตัดว่าทําให้ปัญญาความดีถดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้แก่การจเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตักกิเลสอันดับแรกจะต้องระ ง, งับนิวรณ์ห้าราการให้ครบท้นก่อนถ้านิวรณ์ห้าราการระ ง, งับไม่ได้กําลังเขาสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกัน ถาราระงับได้จะเพราะเวลาที่เราปฏิบัติทำจิตให้สะอาดจากกิเลสช่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบทเล็กระ ง, งับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไปให้เราให้กำลังมันเพียด้วยกำลังคงชานความโกรธความว่่ง ความพุ่งสัน้นความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นขึ้นโดยกาลังขดชันกดด้วยกําลังขดชายเข้าไว้อย่างนี้เจื่อโบทอย่างกลางถ้าจะโบวชอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยชน์สิบรายการมาทําลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทําลายให้พินาศได้สามก็ถือว่าทรงคุณคล้ายปะโสวดาบันสกิทาคามี ถ้าทำลายได้ห้าก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงอละท่องอารมใจทำลายได้สิบก็มีกําลังใจคล้ายพผลหารอันนี้เรียกว่าบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปรรัญญาเคยยอมรับนับถือกฎของธรรมดา หร่ว่ายอมรับแัะถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอาริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมัญจทุกข์ก็เชิญมันทุกข์ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ ร่างกายของเรามันสุดโทมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมมันไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมมันไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดาที่ยอมรับรับถือตามความเป็นจริง จีกสิ่งที่ทําให้เราบรรทุกวันไหวมากคือหนึ่งลาบหาลาบไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาบมาแล้วถ้าลาบหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัวไปอารมณ์มันจะทุกข์รับคํานินทาอารมณ์มันจะทุกข์ รับคําสรรเสริญถ้าคําสรรเสริญสลายตัวไปเขากลับคําพูดไปเราจะทุกข์สุขจักรมารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์แปประการที่เรียกว่าโลกธรรมบุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปกาะ จะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนก็วางเศษขยะที่สกปรกถ้าว่าโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารเปรคายานความจริงสังขารเปรคายานนี่ไม่จี ว, วางเฉยกับร่างกายของเรา เฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากําลังใจเฉยอย่างนี้ก็จะมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากินัญญาเจตนาชาลอากินัญญาเจตนาชาลนี่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมด สมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนแต่กําลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไปขึ้นชื่อว่าความปรารถนาในการเกิดมันในโลกอีกจะไม่มีสำหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณห า, า, าอุปาทานอุปสนุกกรรมได้แน่นอน นีปัญญาบา ร, รมีบา ร, รมีทั้งหมดปัญญาท่านพุทบริษัท ต, ต้องส่งกำลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีลมกำลังใจในในบา ร, รมีสิบประการตัวนี้บา ร, รมีที่จิตเรีว่าสัจจะบา ร, รมีขอโทษบา ร, รมีที่ห้าหรีวิทยะบา ร, รมีได้ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปรรัญญาทุกอย่าง อาการใดที่เราจะละถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ท้อถอยเขาพูดรวบประีิจะมเวลาจะหมดคันติบารมีอดทนต่ออารมณ์ที่ที่มันชินมาวมความอยากความปรารถนาที่ชินมาในการของความทุกข์เราจะทิ้งมาเสียทิ้งมันมง่ายๆนักกำลังใจมันผูกพัน <c oughs> แต่เราต้องใช้กําลังใจอดทนก็ไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ท่านทำลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจว่ายงงอย่างไรจะทรงอารมณ์อย่างนั้นถ้าถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปล่ยงแปลงกําลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทําลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดินน้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยมาถึงปากก็ถึงกาย มาบารมีที่เจตีดด่ว่าสัจจะบารมีเราต้องเป็นคนชื่อตรงต่ออารมณ์อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาศอกให้แกมันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้ตรง จุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือนิพพานกำลังใจของเรานี้นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นทวันได่อีกเป็นพ่ออีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเองเอกาตาอารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งและบา ร, รมีที่เก้าที่เราเมตตาบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีนี้ทาอารมณ์ใจให้เป็นสุข ให้จิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาพระณิมีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป็นคนก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่ฉลักอย่าขาโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กําลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขา ไม่เคยอยากจะย่แยงทรัพสมบัติของเขาไม่ต้เป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กําลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่อรมใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบา ร, รมีที่สิบคืออุเบกขาบา ร, รมี อารมณ์วางเฉยนี้ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติเราบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานบารมีเ <c oughs> ไปไ็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้แย้มมันดินรนเราต้องการจะทรงสิ่งนี้บริสุทธิ์เพราะทรงพรหมหารสิ ถ้า ต, ตัวอกติสีเข้ามาแทรกแซงพมิหารเราจะยับยั้งไม่มันเลื้อยต่อไปไม่ยอมให้มันเพ่นผ่านออกมาได้ทางกายและวาจาเราต้องการทรงเนตรขมับระมีมีวรณ์ห้าริการตัวดีห้าบริการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยัง้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิน้นมันมีก็มีในใจแต่จะให้กําลังใจมันฟูใช่มันกําลังมันฟู ทีนี้ปัญญาบารมีถ้าพังเอิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาให้กุมเบิขาเข้าไปยับยังอย่าให้ลุกลามต่อไปสำหรับวิทยาบารมีความเพียรต่อใต้ก็เหล่าไายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยั้งไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉ้ไว้ก่อน ยังบุกไม่ได้แต่ก็ตั้งรับไมย่ยอมถอยมาขันติบรมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กําลังใจไม่ใช่น้อยต้องเอาเวลาไวาไ้ตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กําลังทนนี้ลดมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไมย่ยอมเตือนเราทุบถอย นีใช้เบี้ยขาบารมีข้าคุมสัจจะบา ร, รมีแท้ความไร้ายสัจจะมันจะเกิดขึ้นต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ต่างกาลังที่ทรงอยู่แล้วก็รุกหน้าต่อไปอดิฐานบา ร, รมีการตัง้ตงกําลังใจไว้เพื่อนิพานบางทีกิเลสร้าย อ, อุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพระนิพพานยากนักสําหรับเรา ถ้ากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาเบรกอุเบกขาเข้าไปปะทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบารมีหนวันเดียวมาสําเร็จดูพระองค์สมเด็จพ ร, ระบรมพิเชษคือพระพุทเจา้าท่านต้องใช้บารมีบรเพ็นบารมีทั้งเสียสงไขงกับแสงกลับเราตั้งไว้เพื่อนิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้ วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อต่อไป อ, อาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบา ร, รมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยังควไว้ใช้ปัญญาเขมาตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริง นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทชา ย, ลยและหญิงและบรรดาเพื่อนพระภิกษุ ส, สมนเณีทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ดก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกข้งความดีกระพี้ของความดีแก่งข้งความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตัดเบ็นแล้วให้ครบทน และทำลายปกิเลสย่่าค่าเข้ามาโกลนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์สแสวงหาความสุขด้วยกำลังของา ร, รมีทั้งสิบประการให้ครกทนถ้าบรรดาท่านพุทธิดาสตชายหญิงถ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมเณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันแล้วก็แพ้มันบ้าง บางวันก็ชนะบบ้างวันเดียวบางทีตอนเชาน้าชนะตอนสายแพ้เพราะไของธรรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกําลังกล้าก็ทไมก็ทําให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ใช้กําลังใจจะชินเมื่อกําลังใจชินและบรารมีทั้งสิบปการนี้จะทรงตัวถ้าบรารมีสิบประการเมื่อบารมีสิบการท ร, รงตัวแล้ว บรรด า, าท่านสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชนิสิบประการไม่ใช่ของหนักสําหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทําลายสังโยชนิสิบประการได้นนครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้อราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึงสามสินาที ทางนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบารมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วดิบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงแรรมยาพิสุทธิ์สมณทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแด่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนและพิสุ์ ส, สมณีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี